ที่วัดป่าหัวตลกพนารามวันที่ 2, สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหสเก้าเรื่องการปฏิบัติให้เลื่อนขั้นไปตามลาดับโดยหลวงตาณรงศักขีนาโย่เออแล้วไงปู่ว่าไงปู่อืมปูก็เออเ อ, อปูอยู่ระหว่างนี้นะหลงดึงกลับหลงดึงกลับหลงดึงกลับ เอาให้ไม่หลงเลยไม่ได้แล้วปูหือคอยหลงแล้วดึงกลับเอปูมยังมีหลงแล้วดึงกลับหลงแล้วดึงกลับแต่มันยังยังมีหลงตอนนี้ถ้าไม่หลงเลยไม่ได้เลยให้มันอยู่กับพุทโธเลยไปเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอื่นต่อไปอีกขั้นตอนอื่นก็นแค่กับว่าเอ่เวลาเราบริการพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนเหือกันเนี่ยคำบริการพุทโธเหมือนกับนิ้วเนี่ยที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนี่ยคำบริการพุทโธพุทโธ แต่ตัวบริกรรมคำบริกรรมพุทโธเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาเองไม่ได้ใครแล้วที่มารู้ว่าเราเนี่ยบริกรรมพุทโธอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเราบริกรรมหรือไม่บริกรรมใครเปนคน ร, รู้ถามพวกท่านที่ใครเปนคน ร, รู้เนี่ยสมมตินิ้วเนี่ยเป็นพุโพพพพโทโธพุทโธพุทโธบริกรรมตลอดแล้วใครเป็นคนมารู้ว่าว่าในใจเราบริกรรมพุทโธฮตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ ต, นนรรตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้รู้ว่าใจเราบริกรรมพุทโธอยู่หรือไม่บริกรรมตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เพราเราเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนนี้มาก่อนคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องบริกรรมพุโทโธไว้ในใจแล้วจึงจะผ่านขั้นตอนที่สองคือใครและเป็นคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยบริกรรมพุโทโธอยู่ ก็เรานี่เนี่ยมีคนรู้ว่าเราเนี่ยกำลังกับบริกรรมพุโทโธอยู่หรือไม่บริกรรม <S <S <an ly> แต่ถ้าเราเนี่ยไปเสียเวลากับเลิกบริกรรมแล้วก็หลงไปเรื่องอื่นแล้วเราก็กลับมาดึงกลับมาหลงไปเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาลงไปเรื่องอื่นแล้วดึงกลับมาอย่างนี้มันยังจะไม่สามารถผ่านไปถึงขั้นตอนที่สองได้เพราะว่าเรายังไม่สามารถรู้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธเรืออ่อยไปถ้าเรารู้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธเรื่อยไปเหมือนกับว่าเราเรียนมาวิทยาลัยะ จบแล้วปีหนึ่งคือรู้อยู่กับบริการพุโทโธอยู่แล้วก็รู้ว่ายังบริการพุโทโธอยู่พอขึ้นมาบริเวณปีสอง้วาก็ถามใจเราว่าใครเป็นคนรู้บริกคำบริการพุโทโธเนี่ยเหมือนนิ้วอย่างเงี้ยกระดุกกริกกระดุกกรดิกแล้วใครเป็นคนรู้คําบริการพุโทโธก็ตอบได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนรู้ใครเราจะเป็นคนรู้ว่าเราเนี่ยบริการพุโทโธอยู่หรือไม่บริกรรมเราที่เป็นคนรู้ เออเมื่อเราพบผู้รู้คือตัวเราเนี่ยพบผู้รู้คือตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้อะเราก็พบผู้รู้แล้วเมื่อเราพบผู้รู้เราก็อยู่กับผู้รู้ให้ดีๆเราก็อภุดโทเนี่ยคำบริการพุทโธเป็นตัวล่อไว้ตลอดเวลาแต่เพื่อให้เห็นตัวเราผู้ไปรู้คําบริการพุทโธเพราะตัวเราเนี่ย ถ้าพบตัวเราได้เนี่ยสุดประเสริฐสุดยอดประเสริฐเพราะเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเราเราไม่เห็นตัวเราจึงเกิดปัญหาวุ่นวายกันในโลกนี้วุ่นวายทั้งความทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นฆ่ากันในโลกนี้ก็เพราะว่าไม่รู้จักตัวเราไม่เห็นตัวเราการที่เราเห็นตัวเราว่าว่าเราเนี่ยเป็นคนบริกรรมพุทโธใครแลยเป็นคนรู้ว่าเราบริกรรมพุทโธเพรตัวเราเนี่เป็นคนรู้ แล้วเราก็รู้ตัวเราไว้แล้วเราต่อไปก็สังเกตให้ดีๆไม่ว่าตัวเราเนี่ยจะเห็นอะไรไม่ว่าตัวเราจะเห็นอะไรตัวเราจะต้องคิดอย่างไรพูดอย่างไรตึกตองอย่างไรบน่นพูดอยู่คนเดียววิพากษ์วิจารณ์อยู่คนเดียวตึกตองอยู่คนเดียวในใจตลอดเวลาไม่มีเหล่าที่ตาเห็นแล้วจะไม่ไม่พูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวในใจจะไม่มีเลยไม่มีทางถามว่าใครเป็นผู้เห็นล่ะ ก็เรานะสิเป็นผู้เห็นเมื่อเราเป็นผู้เห็นแล้วถามว่าใครแล้วเป็นผู้เห็นแล้วเป็นผู้บ่นเป็นผู้พูดเป็นผู้คิดอยู่ในใจก็เราที่เป็นผู้บ่นผู้พูดผู้คิดเมื่อเราเห็นเะมั้จะมัว่าผู้หญิงไปเห็นผู้ชายผู้ชายไปเห็นผู้หญิงหรือว่าจะเห็นด้วยกันเองก็จะพูดแล้วว่าเออคนนี้สวยจังเลยแทนที่ตาจะเห็นอย่างเดียวไม่มีหรอกไม่มีใครที่ตาเห็นอย่างเดียวแล้วใจไม่พูด เช่นโอคนนี้สวยจังโอ้ oh, คนนี้ไม่สวยเออคนนี้แต่งตัวดีเออคนนี้แต่งตัวไม่ดีเอ๊ะแม้แต่หูเราได้ยินเสียงไม่มีใครหรอกที่ได้ยินเสียงอย่างเดียวแล้วตัวเราไม่พูดไม่พูดอยู่คนเดียวในใจเราเช่นว่าเราได้ยินเสียงเออเขาพูดคนนี้พูดสุภาพดีเขาพูดเพราะเออเขาพูดเพราะเราก็จะวิาพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์นี่เป็นเรื่องปกตินะ พอไม่ถูกใจเราเราก็วิาพากษ์วิจาร์โอ้ทําไมแต่งตัวแบบเนี้ยทําไมพูดจาแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ตาเห็นอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรกินอะไรอยู่ก็วิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองกินอยู่ในสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสกายไปสัมผัสเสียดสีอะไรก็ต้องคิดนึกตึกตองพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียววิาพากษ์วิจารณ์อยู่คนเดียว แล้วก็ภายในใจเนี่ยมันรู้สึกว่ายังไงอ่ะรู้สึกว่าจิตดีมากเลยจิตดีคืออย่างไรคือมันมีอาการที่ถูกใจเราคือมันมีอาการที่โปร่งที่โล่งที่เบาที่สบายที่ว่างว่างเรารู้สึกสบายใจสรุปแล้วพอเราไปรู้ว่ามันมีความสบายใจใ้ความสบายใจนะ่ยมันพูดไม่ได้สังเกตให้ดีๆ พอเราไปรู้ความไม่สบายใจความไม่สบายใจเนี่ยมันพูดไม่ได้แต่ตัวเราที่ไปรู้ความไม่สบายใจหรือความสบายใจมันพูดใหญ่เลยมันคิดมันนึกมันตรึกมันตรองมันวิตกวิจารณ์มันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวไม่มีหยุดไม่มีใครดับได้อันเนี้ยเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะใครจะดับก็ดับไม่ได้แต่เราต้องเห็นมันเห็นให้ได้ ทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรดกายสัมผัสอะไรใจไปรู้อะไรทางใจรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเรามีอารมณ์อะไรรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรรู้ว่ามีอาการทางทางกายทางใจอย่างไรเราที่ไปรู้นี่แน่มันจะพูดจะบน่นจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจยัยเพ่งโทษอุตลุดหมดแล้วอยู่ในนี้ไม่มีใครหรอกจะห้ามตัวเองได้ไม่มีตรงเนี้ย ไม่มีเลยที่ใครเห็นอะไรแล้วเฉยอูได้ยินเลยแล้วเฉยเหมือนท่อนไม้ไม่มีแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองอที่หลวงตาพยามาสอนให้ท่านบริกรรมพุโทโธไว้หรือท่านรู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพื่อให้ท่านเนี่ยรู้ตัวรอดซะก่อนให้ใจอยู่กับตัวรอดซะก่อน เมื่อใจของท่านอยู่กับตัวร่อแล้วเนี่ยขั้นต่อไปจึงจะเห็นว่าสังเกตได้เห็นว่าใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ทางตาใครเป็นผู้รู้ทางหูใครเป็นผู้รู้ทางจมูกใครเป็นผู้รู้ทางลิ้นใครเป็นผู้รู้ทางกายสัมผัสใครเป็นผู้รู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในใจก็ตอบได้ว่าเราทั้งสี่เป็นผู้รู้เราเนี่ยใครจะเป็นคนรู้ล่ะใครจะรู้ว่าในใจเรานแอบคิดอะไรกับใคร ใครจะรู้ว่าในใจเรามีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรก็ตอบได้ว่าเราติดเป็นคนรู้ดังนั้นถ้าเมื่อใจของเราเนี่ยมีเครื่องเครื่องรอเครื่องอยู่เราไม่ฟุ้งซ่านไม่เพิดเพลินจเจริญใจคิดเพิดเพลินเนจเริญใจปรุงแต่งเมื่อเพลินไปกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้พูดจ่อยจ้อ ย, อยทั้งวันเราก็จะสะเกตในใจเราได้ตลอดเวลาว่า เมื่อเราเห็นอะไรแล้วตัวเราพูดว่ายังไงคิดยังไงบนอย่างไงวิเคราะห์วิจารณอย่างไงเราได้ยินอะไรเราพูดอย่างไงเห็นอย่างไงวิเคราะห์วิจารณวิจัยอย่างไรเรามีอาการทางกายมีอาการทางใจที่กายเบาใจเบาใจรู้สึกโลร่งโล่งเบาสบายเราคิดเรานึกเราวิเคราะห์วิจารวิจัยอย่างไรเมื่อกายไม่เบาจะไม่เบาไม่สบายเราเนี่ยที่ไปรู้แล้วมันคิดมันนึกมันตึกมันตองวิเคราะห์วิจารณวิจัยอย่างไรถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ย เราจะผ่านมหาวิทยาลัยปีสองมหาวิทยาลัยเรียนสี่ปีก็ให้แปดปีเรียนไม่จบก็หลีภัยมหาวิทยาลัยให้สี่ปีปีแรกให้ใจมีเครื่องล่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือรู้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธวันหนึ่งทําอะไรทั้งวันเนี่ยหายใจเนี่ยรู้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธเพื่อให้ใจเนี่ยเพื่อสังเกตใจได้ว่า พอใจมันรู้อยู่คําบริกรรมพุโทโธแล้วไม่เหมื่อเผอเพลินคิดฟุ้งซ่านแล้วมันจะได้รู้ว่าใจที่ไปรู้คําบริกรรมพุโทโธเนี่ยคิดอะไรนึกอะไรตึกตองอะไรอยู่ในใจถ้าเรารู้เราเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านมหาวิไลปีสองมหาวิไลปีสองขึ้นมหาวิยาลัยปีสามเป็นยังไงหลังจากการฝึกฝนมาในขั้นในมหาวิไยปีหนึ่งจบแล้วคือเราไม่ไม่มเหมื่อเผอเพลิน เมื่อเผอเพ ล, เพลินฟุ้งซ่านไปเรื่อยออโดยใจมีเครื่องล่ออยู่แล้วก็เห็นว่าทุกขณะจิตปัจจุบันว่าเมื่อเราเนี่ยไปรู้อะไรไปเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วเราคิดอย่างไรพูดอย่างไรต่อไปนี่เราไม่ต้องไปคอยดูตอนขณะกระทบพอขึ้นมหาวิทยาลัยปีสามแล้วเราเก่งแล้วฝึกฝนมาชํานาญแล้วเราไม่ต้องไปคอยดูขณะเห็นว่าจิตมันพูดอะไร เราไม่ต้องไปคอยดูคอยสังเกตว่าขณะหูได้ยิน Lean, แล้วจิตเราพูดว่าอะไรหรือตัวเราพูดว่าอะไรบนว่าอะไรในใจคนเดียวเราไม่ต้องคอยไปสังเกตขณะกระทบว่าขณะจมูกได้กินเนี่ยตัวเราเนี่ยไปรู้สิ่งที่มากระทบแล้วตัวเราพูดว่าอย่างไงคิดอย่างไงบนอย่างไงลิ้นกินอะไรแล้วตัวเราพูดอย่างไงบนว่าอย่างไรกายกระทบอะไรตัวเราพูดว่ายังไงบนว่าอย่างไงพอเราเริ่มไปรู้อาการทางใจรู้โปร่งโลง่ลงเบาสบาย รู้กายรู้ใจที่เบาสบายไม่เบาสบายตัวเราจะไปรู้แล้วเนี่ยตัวเราพูดว่าอย่งไรคิดอย่างไงบ่นอย่างไงพูดอย่างไงอยู่คนเดียวเราคิดอะไรแล้วเรารู้ว่าเรากําลังคิดอะไรเมื่อเราไปรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรคิดถึงใครแล้วตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันบ่นอย่างไงมันพูดอย่างไงมันนึกอย่างไงมันมีอารมณ์อย่างไงสิ่งเหล่าเนี้เราต้องเห็นต้องรู้ต้องเห็นเราจริงจรรู้จักตัวเราถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นเนี่ย เราก็จะเหมือนกับปัตตุชนชาวโลกทั่วไปชาวบ้านทั่วไปคืออยู่กับสิ่งที่ตาเห็นอยู่กับสิ่งที่หูได้ยินเราก็อยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับการทํากับข้าวเลือกสวนไล่นาค้าขายอยู่กับลูกน้องไปวันวันวันหนึ่งคือเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่ตาเห็นหรืออยู่กับสิ่งที่เราได้ยินคือดูหนังฟังเพลงเล่นไลน์เล่นแชทเล่นเกม เราก็อยู่กับสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่เราได้ยินแต่เราไม่เคยเห็นตัวเราและเราไม่เคยรู้จักตัวเราดังนั้นจีต้องมีการฝึกฝนให้เราเนี่ยรู้จักตัวเราเมื่อเรารู้จักตัวเราดีแล้วต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องไปคอยดูตอนขณะนากระทบเราจะเห็นได้เลยว่าต่อไปพอขึ้นปีสามแล้วเราจะเห็นว่าเราเนี่ยพูดไม่หยุด พูดไม่หย <ti oph> ุดบ่นไม่หย yes ุดพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรานี่น่าเกลียดที่สุดเลยเราว่าคนในโลกนี้น่าเกลียดแต่พอเราเห็นแล้วตัวเรานี่น่าเกลียดที่สุดเราจะพูดไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวตึกตองอยู่คนเดียวพูดไม่หยุดเลยเราเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเห็นอะไรจิตใจเราก็พูดไม่หยุดได้ยินอะไรจิตใจเราก็พูดไม่หยุดได้ยินอะไรเราก็พูดไม่หยุด ดมกินอะไรแล้วก็พูดไม่หยุดกินอะไรก็พูดไม่หยุดกายสัมผัสอะไรก็พูดไม่หยุดมีอาการกายเบาใจเบากายไม่เบาใจไม่เบามีความผ่องใสหรือเศร้าหมองตัวเราก็พูดไม่หยุดคิดไม่หยุดบนไม่หยุดนี่เนี่ยตัวเนี้ยสําคัญมากเนี่ยถ้าเราเห็นตัวนี้เห็นเราแล้วเนี่ยอแล้วเราก็ฝึกฝนฝึกฝนตรงนี้ให้เกิดความชํานาญ เพราะว่าเมื่อเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยปัญหามันเกิดเยอะคือความทุกข์ความเครียดที่สุดตรงไปพึ่งยาเข้าโรงพยาบาลประสาทฆ่าตัวตายทะเลาะบ่อแหว่งกันก็เพราะไม่เห็นตัวเราไม่รู้จักตัวเราเมื่อไม่เห็นตัวเราไม่รู้จักตัวเราปัญหามันเลยเกิดแก่ตัวเองนะผู้อื่นเกิดปัญหากับสังคม เวลาจะพูดอะไรก็ไม่รู้จักตัวเราจะคิดอะไรก็ไม่รู้จักตัวเรามันก็เลยพูดออกไปกระทำออกไปตามหมู่พวกตามสังคมก็ให้เกิดปัญหาในสังคมฆ่ากันทำร้ายกันและที่สุดก็ฆ่าตัวตายพาตัวเองไปเข้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้างก็เพราะไม่รู้จักตัวเราเราจรึงต้องรู้จักตัวเราเห็นตัวเราอยู่นั่นแหละ มันพูดมันบน่นมันคิดมันนึกมันตึกมันตองมันโวยวายมันงุมงำุงมุงมงมงเหมือนคนบ้าอยู่ตลอดเวลาในตัวเรานี่แน่ไม่มีหยุดหรอกออไม่มีหยุดพอขึ้นมหาวิทยาลัยปีสี่เราจะรู้จักผู้ที่รู้ตัวเราพอขึ้นมหาวิทยาลัยปี4ีเราจะเห็น รู้จักผู้ที่รู้ตัวเราเราจะค่อยๆสังเกตเห็นได้ว่าแม้ตัวเราบ่นอยู่ตลอดเวลาพูดอยู่ตลอดเวลาคิดนึกตึกตองอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่รู้จักตัวเราเนี่ยกับไม่พูดไม่คิดไม่บน่นไม่เคลื่อนไหวอะไรเลย ตรงนี้สำคัญว่านะมหาวิทยาลัยปี4จะจบแล้วจะจบมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วทำไมถึงต้องให้รู้จักตัวเราเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเราจะพบผู้ที่มาเห็นตัวเรารู้จักตัวเราต่อให้ตัวเราจะคิดจะบน่นจะพูดอย่างไรก็ตามแต่ผู้ที่มารู้จักตัวเราเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยพูดไม่เคยบน่นไม่เคยพึมพำไม่เคยอาการแสดงกับเพื่อไหวๆอย่างไรเลย มีแต่ตัวเราเนี่ยบ่นพูดคิด พ, พึมพำโวยวายอยู่ในใจเราเนี่ยตลอดเวลาทั้งวันแต่ผู้ที่มารู้จักตัวเราไม่พูดไม่คิดไม่นึกไม่ตึกไม่ตองไม่กระเพื่อมไม่ไหวตัวไม่มีอาการไหวตัวใดๆเลยเราจึงพบว่าผู้ที่รู้ตัวเราเนี่ย ไม่เคลื่อนไหวแต่ตัวเราเนี่ยเคลื่อนไหวคิดนึกตึกตองปรุงแต่งบ่นไม่หยุดแต่ผู้มารู้ตัวเราเนี่ยสงบนิ่งและวางเปล่าไม่ปรากฏกิกริยาการใดๆเลยไม่เคลื่อนไหวใดๆเลยหรืออีกกรณีหนึ่งเราจะพบว่าในความไหวๆของจิตที่ปรุงแต่ง ใน ค, ความเคลื่อนไหวในการกระเพื่อมในความทุกข์มีผู้ที่ไม่เคลื่อนไหวมีผู้ที่ไม่กระเพื่อมมีผู้ที่ไม่ทุกข์แม้โลกจะวุ่นวายโลกภายนอกจะวุ่นวายโลกภายในร่างกายภายในจิตใจเราจะวุ่นวายเหมือนคนไปนโลกไวยทองแต่ใจกลับไม่วุ่นวายปีสีนี่เนี่ท่านจะพบแล้วว่าต่อให้โลกนี้วุ่นวายอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ตัดว่า สิ่งภายนอกลูกโลกทั้งลูกโลกนี้เรียกว่าโลกสิ่งใดภายนอกร่างกายเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรียกว่าโลกร่างกายเราเรียกว่าโลกจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่พูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวก้มขำ้มขำอยู่คนเดียวนี่เรียกว่าโลกหรือเรียกว่ารูปธรรมเรียกว่าโลกนามธรรมที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เรียกว่าโลก แต่แม้โลกจะวุ่นวายคือมีความแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวุ่นวายตลอดเวลาแต่ใจไม่วุ่นวายโลกเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันวุ่นวายมันไม่เที่ยงแต่ใจไม่ทุกข์โลกปรากฏความเคลื่อนไหวคิดนึกตึกตอปรุงแต่งแต่ใจว่างเปล่า ถ้าท่านเคยเห็นแบบนี้ทุกคนมีสิทธิทจะเห็นได้เพราะมันมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนมีแม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานในปทุชนในพระพุทธเจ้าในพระอระหันต์มีเหมือนกันหมดแต่พวกเรายังไม่เห็นผู้ที่ฝึกจนถึงขั้นปีสี่แล้ว ก็สามารถมีสิทธิที่จะเห็นเหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งหมดอยู่แล้วในตัวเราในความเคลื่อนไหวมีความไม่เคลื่อนไหวในความคิดมีความที่ไม่คิดในความวุ่นวายมีความสงบในความมีมีความบ้างเปล่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นเช่นนี้สัจธรรมธรรมชาติทั้งภายนอกภายในใจเราเหมือนกัน ถ้าท่านสังเกตให้ดีๆพัดลมที่กำลังหมุนเนี่ยพัดลมนี่เปิดเกียร์ห้าที่เป็นเกียร์สูงสุดและหมุนเร็วที่สุดท่านสังเกตให้ดีๆพัดลมนี่หมุนเร็วขนาดไหนก็ตามแต่พัดลมหมุนอยู่ในไหนพัดลมหมุนอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่ไม่หมุนพัดลมต่อให้หมุนเร็วขนาดไหนก็ตาม ย่อมหมุนอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่ไม่หมุนไปด้วยธรรมชาติจึงว่างเปล่าพัดลมยิ่งหมุนได้เร็วถ้าเอาพัดลมเนี่ยไปใส่ในเสาหรือในกําแพงที่ไม่มีที่ว่างเปล่าพัดลมจะหมุนไม่ได้พัดลมหมุนได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ก็แสดงว่ารอบๆพัดลมนั้นมีที่ว่างให้พัดลมสามารถเคลื่อนไหวตัวมันเองได้พัดลมจึงสามารถ หมุนและเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงเพราะมันมีความว่างอยู่รอบตัวมันในจิตใจของเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเดิมค้นพบว่าเสียงเร็วที่สุดในโลกต่อมาค้นพบว่าแสงเร็วที่สุดในโลกต่อมาค้นพบว่าที่ว่าเสียงเร็วที่สุดในโลกกลับไม่ใช่ต่อมาค้นพบว่าแสงเร็วกว่าเสียงอีก เขาว่าไอสไตล์ที่คิดระเบิดปรละมานูนค้นพบตอนแรกว่าเสียงเร็วกว่าแสงต่อมาค้นพบว่าแสงอะเร็วกว่าเสียงอีกต่อมาก่อนตายค้นพบว่าจิตที่คิดเนี่ยเร็วที่สุดในโลกเงั้นส so, uh, ิ่งที่เร็วที่สุดในโลกก็คือจิตที่คิดนี่เนี่ยเร็วที่สุดในโลกเร็วกว่าเสียงและเร็วกว่าแสงอีก เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเช่นเราคิดถึงพระอาทิตย์คิดถึงดวงจันทร์คิดปุ๊บไปถึงเลยต่อให้คิดจรวดที่เร็วกว่าแสงและเร็วกว่าเสียงต้องใช้เวลาเดินทางแต่จิตที่คิดคิดถึงพระอาทิตย์หรือคิดถึงดวงจันทร์ก็ไปถึงพระอาทิตย์หรือไปถึงดวงจันทร์ทันทีดังนั้นจิตที่คิดจึงเร็วที่สุดในโลกสิ่งใดก็ตามเคลื่อนที่เร็วที่สุดทุกอย่างย่อมเคลื่อนที่อยู่ในความว่าง พัดลมนี่เกิดเปิดเกียร์ห้าจึงหมุนเร็วที่สุดหมุนได้เร็วที่สุดก็เพราะว่ารอบๆบริเวณพัดลมว่างที่สุดพัดลมจึงสามารถหมุนได้โดยอิสระที่สุดถ้าเอาพัดลมเนี่ยไปยัดใส่เสาพัดลมย่อมหมุนไม่ได้เพราะไม่มีที่ว่างพัดลมหมุนเร็วที่สุดเพราะรอบๆพัดลมมีความว่างที่สุดจิตมีความคิดเร็วที่สุดเพราะจิตเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่า จิตเกิดด si ับอยู remember, ่ในใจที่ว you know, ่างเปล่าใจเปรียบเหมือนมดลูกส่วนจิตที่คิดมีความรวดเร็วปานใดมีความรู้สึกมีอารมณ์ปานใดก็ตามเหมือนเด็กที่มาเกิดอยู่ในมดลูกแล้วก็ก็คลอดออกไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าอยู่เหมือนกับเด็กที่มาเกิดในมดลูกเด็กที่เกิดมาแล้วก็คิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปส่วนมดลูกไม่ได้เกิดดับด้วย มดลูกคงเป็นที่รองรับเป็นที่เกิดของจิตเรียบเหมือนเด็กที่มาเกิดแล้วคลอดออกไปเด็กมาเกิดละคลอดออกไปแต่มดลูกนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยไม่ได้กระเพื่อมด้วยไม่ได้คลอดออกไปด้วยไม่ได้เกิดดับด้วยดังนั้นที่เรามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในใจนั้นไม่ใช่ใจที่เรามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในใจนั้นไม่ใช่ใจ สิ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ไหวตัวสิ่งที่เกิดดับอยู่ภายในใจส่วนใจนั้นไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏการกระเพื่อมไม่ปรากฏความไหวตัวใดๆไม่ปรากฏรูป ร, าป ร, ะะรป่างไม่ระปรากฏอะไรเลยแต่เป็นที่รองรับที่เกิดของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ผัดกันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่ภายในใจดังนั้นเนี่ย อย่าไปหลงยึดเอาจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ว่าเป็นใจเพราะใจเป็นธรรมชาติเป็นอสสลีลังที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่เป็นที่เกิดดับเป็นที่รองรับของจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งท่านจึงสมมุติเปรียบว่าใจเปรียบเหมือนมดลูกหรือครรนส่วนจิตที่คิดปรุงแต่งมีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเปือมือนเด็กที่มาเกิดอยู่ในครรนแล้วคลอดออกไปมาเกิดในครรนแล้วคลอดอดอกไปคือเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจ ดังนั้นจิตที่ปรุงแต่งกับใจเป็นที่รองรับจิตที่ปรุงแต่งนั้นไม่ใช่อันเดียวกันเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านก็จะพบใจที่ไม่เคลื่อนไหวแต่ทุกสปปรรพสิ่งในใจล้วนเคลื่อนไหวอยู่ในใจเกิดดับอยู่ในใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งอยู่ในใจแต่สิ่งใดเกิดดับสิ่งใดเคลื่อนที่สิ่งใดย่อมเกิดย่อมดับหายไปจากใจ ส่วนใจก็คงเป็นที่หลองรับเป็นว่าเป็นความว่างเปล่าของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตลอดเวลาใจไม่ได้เกิดดับไปด้วยและใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่เป็นที่หลองรับเหมือนจักรวาลเป็นที่หลองรับของทุกสรรพสิ่งที่มาเกิดดับเกิดตายในจักรวาล น, นี้ทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดดับเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ในจักรวาลคือความว่างเปล่าของจักรวาลท่านจึงเปรียบใจเปรียบเหมือนจักรวาลส่วนจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เปลียบเหมือนทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงมีความแก่ความเจ็บความตายมีความไม่เที่ยงผุพังสลายไปทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสสารหรือพลังงานเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือที่มีรูปร่างที่เป็นสสารล้วนเกิดดับแตกทําลาย แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใหม่อยู่ในธรรมชาติของใจที่ว่างเปลา่าเหมือนดั่งจักรวาล น, นี่แน่ดังนั้นใจจึงไม่มีการเกิดดับตลอดการพันทั้งหลายอยากเข้าใจผิดเอาจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งมาเป็นใจเพราะใจไม่เคยเกิดดับเลยพระุทธองค์หรือว่าคุพ่อแม่คุบาอาจารย์จึงกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันธิพาน นิพพานังปรรมังสูญยังนิพพานเป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งนิพพานนิพพานังปรรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งไม่ใช่สุขเพราะเป็นความมีแต่เป็นสุขเพราะความไม่มีทุกข์หรือความสุขที่เกิดจากความปราศจากความทุกข์จึงเป็นความสุขอย่างยิง่งไม่ใช่ เป็นความสุขที่มีสิ่งของมีอะไรหรือเป็นอารมณ์สุขแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความว่างจากกิเลสตัณหาและความทุกข์จึงเป็นความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าสุขที่ปราศจากทุกข์นั่นเองนี่แน่เส้นทางที่ให้ท่านเดินบอกทางท่า น, นคร้าวค้าวให้ท่านเดินเนี่ย เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมาปฏิบัติทุกวันเนี่ยท่านจะต้องเรียนมหาวิทยาลัยให้จบสี่ปีนี้ปีหนึ่งท่านจะต้องเรียนรู้อะไรปีสองจะต้องเรียนรู้อะไรปีสามจะต้องเรียนรู้อะไรปีสี่จะต้องเรียนรู้อะไรและจบมหาวิทยาลัยจบแล้วจะเป็นอย่างไรนี้คือเส้นทางเดินทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้ ถ้าท่านไม่รู้เส้นทางเดินตั้งแต่ต้นถึงปลายทางเหมือนกับที่ท่านจะเดินทางมาที่วัดนี้วัดป่าหัวตลุกนี้แล้วท่านจะมาอย่างไรถูกท่านต้องรู้ว่ารู้ซะก่อนว่าวัดป่าหัวตลุกนี้อยู่ที่ไหนท่านจึงเริ่มเดินทางมาเรื่อยๆและไม่ไม่เมื่อไม่พบเส้นทางถ้าก็ถามเข้ามาเรื่อยๆยังโยมมาจากกรุงเทพอังเนี้ยไม่รู้เส้นทางก็ต้องถามเข้ามาเรื่อยๆจนที่สุดมาถามมาจากคนรอดยาวใช่ไหมแล้วที่สุดก็มาถึงที่นี่ได้ นี่แน่ท่านต้องรู้ปลายทางว่าที่สุดแล้วปลายทางมันจะจบตรงไหนมันอยู่ที่ไหนวัดป่าหัวตลุกเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไม่รู้เส้นทางก็ต้องถามมาเรื่อยก็คือมาถามนลวงตานี่ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วจึงจะรู้ว่าปลายทางเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ๋อสามารถรู้เส้นทางคร้าๆได้แล้วว่าปลายทางของวัดหัวตลุกเนี่ยอยู่ที่อำเภอลาดยาวนครสวรรค์อำเภอลาดยาวนครสวรรค์อยู่ตรงไหนของประเทศไทย ก็รู้แล้วว่าอำเภอลาดยาวนครสวรรค์อยู่ที่ภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทยก็จะรู้แล้วว่าภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทยอยู่ตรงไหนลาดยาวอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดนครสวรรค์ต้องอยู่เลยนครสวรรค์ไปอีก20กิโลแล้วมาถึงน้องเบร์แล้วต้องเข้ามาอีก20กว่ากิโลมันต้องรู้เส้นทางอย่างนี้แล้วจึงจะมาถึงที่นี่ได้เหมือนที่ท่านมานั่งอยู่ที่นี่ถ้าท่านปฏิบัติไปโดยไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้เส้นทางอะไรเลยฉันยังไม่ฟังอะไรฉันยังไม่เอาละมันยากเกินไปฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรฉันขอทําแค่นี้พอแล้วแล้วท่านก็ออกเดินทางโดยไม่รู้เลยว่าปายทางมันไปที่ไหนท่านไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นว่าวัดป่าหัวตลุกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนของประเทศไทยแต่ท่านบอกว่าฉันขอออกเดินทางก่อนฉันไม่ยอมรับฟังใครจะบอกว่าวัดป่าหัวตลุกมันอยู่ที่อำเภอลาดยานครสวรรค์อยู่ภาคเหนือตอนกลางฉันไม่สนใจฟังฉันจะไปวัดป่าหัวตลุกแต่ฉันจะไม่ฟังใคร ฉันจะออกจากกรุงเทพอย่างเดียวโดนไม่ฟังใครแล้วว่าวัดป่าอุทลุกเนี่ยมันอยู่ที่อำเภอราดยาวนครสวรรค์อยู่ภาคเหนือตอนล่างฉันไม่ฟังใครฉันจะเดินทางแล้วหลวงตาเขายามจะพูดเส้นทางให้ท่านเข้าใจจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเพื่อท่านเนี่ยได้รู้ว่าท่านปฏิบัติต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้ไปถึงปลายทางอย่างนี้จะนบอกไม่เอาฉันฟังแค่นี้แล้วฉันทําแค่นี้ฉันจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธมากไหมพุทโธมากฉันจะพุทโธพุทโธพุทโธมากไหมพุทโธมาก แล้วถ้าอย่างเงี้ยก็เหมือกนกับว่าเดินทางออกจากกรุงเทพแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่จะเดินทางอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวจะไปจะไปจะออกจากบ้านอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะออกจากกรุงเทพทางทิศไหนมันจะเหมือนคนตาบอดแบบเนี้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยเวลาท่านไปเจอที่นู่นที่นี่คนนั้นคนนี้จูงท่านถ้าก็สเปคสะปะเลยแต่เนี้ย เข า, าบอกมากคนนู้นบอกมากคนนี้บอกมากตอนนี้ก็เดินสเปสะสปะเลยเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาก่อนตอนนี้ก็ถามนะเวลาเดินทางก็ถามก็ไปทั่วเลยวัดป่าหัวตะลุกอยู่ที่ไหนแล้วท่านไปถามคนที่ไม่รู้ทางจริงมันเขาก็บอกให้ท่านไปเดินทางใต้บ้างไปทางอีสานบ้างไปทางโน้ไปทางนี้บ้างตอนนี้ท่านละกันะเปสะสปะเลยและเดินทางเมื่อท่านไม่รู้ทางจริงท่านเดินทางถ้านก็ทำแค่ตรงเนี้ยแล้วท่านก็ ทิ้งคำบริการพุทธโธมั่งไม่เห็นความสําคัญบริกรมมารมั่งไม่บริกรมมารมั่งเพื่อเพลินเจริญใจมั่งแล้วก็กลับไปเป็นความเคยชินแล้วท่านไม่รู้ว่านี่ท่านเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีไหนถ้าจะตบจบปีไหนจะต้องจบภายในปีนี้ปีนี้จะจบยังไงปีสองจบยังไป ง, งไปีสามจบยังไงขึ้นปีสี่จบแล้วจะเป็นอย่างไรนี่แน่ถ้าท่านมาปฏิบัติได้เข้าใจได้ใจของท่านอย่างนี้ท่านจะพัฒนาเร็วมาก การเล่าเรียนของท่านการปฏิบัติของท่า น, าานจะพัฒนาได้รวดเร็วมากท่านจะไม่หลงทางและจะไม่มัวเดี๋ยวนะจะเอาอย่างงูเดี๋ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาเอย่างเงี้ย ม, มันไม่ใช่ทางเดี๋ยวจะเอาจิต ด, ดีจิตไม่ดีก็งูหงิดเดี๋ยวจะเอาจิตดีจิตไม่ดีก็งูหงิดอยู่นั่นแน่เดี๋ยวจะเอาสงบไม่เอาฟุ้งซ่านก็งูหงิดกับจะเอาจิตที่ดีอยู่นั่นแนอแต่เป้าหมายสุดท้ายมันไม่ใช่ว่าจิต ด, ดี เป้าหมายสุดท้ายจิตดีเป็นเพียงอาการที่ถูกรู้มันเป็นเพียงมหาวิเลยปีหนึ่งพอขึ้นมหาวิเลยปีสองมันจะพบผู้รู้ว่าใครลราเป็นคนรู้จิตดีจึงจะรู้ตัวเราจะเป็นคนรู้จิตดีหรือไม่ดีจิตดีหรือไม่ดีมันรู้ตัวไม่เองไม่ได้มันแค่มหาวิเลยปีหนึ่งพอขึ <Soul>. ้นมหาวิเลยปีสองโดยจะรู้ว่าพบผู้รู้ว่าเออตัวเราสิเป็นคนรู้ว่าจิตดีหรือไม่ดี และตัวเรามันพูดว่ายังไรคิดอย่างไงบ่นอย่างไงมันต้องรู้ที่ตัวเราไม่ใช e ่ไปรู้จิตดีไม่ดีเราเขาจะเอาแต่จิตดีจิตไม่ดีจิตดีจิตไม่ดีอยู่นี่น่ะแล้วมันก็เลยไม่เข้าหาตัวเราสักทีเข้ามาเวลาปีสองกทีจิตดีก็ต้องรู้ที่ตัวเราว่าตัวเราที่ไปรู้จิตดีมันพูดว่าอย่างไงมันคิดอย่างไงมันบ่นอย่างไงคนเดียวในใจเราจิตไม่ดีตัวเราที่ไปรู้ว่าจิตไม่ดีมันพูดอย่างไงบ่นอย่างไงงุ่มๆอย่างไงมันไม่สามารถกลับย้อนกลับกลับมารู้ตัวเราสักทีมันจะรู้แต่จิตดีจะเอาจิตดีีจจิิตตไไมม่่ดเอา พอจิตไม่ดีก็หงุดหงิดลำคานพอจิตสงบแระชอบจิตไม่สงบที่นล่นฝักสาหงุดหงิดลำคาญพื้นัดพึ้นฮัตออนนี้มันไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรต้องการให้เข้ามาหาตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ว่าจิตดีหรือจิตไม่ดีแม้จิตดีก็ต้องมารู้ตัวเราว่าพอเราเนี่ยไปรู้จิตดีแล้วเราเนี่ยพูดว่าอย่างไงบ่นอย่างไงงุ้มกำงุ้มาำว่าอย่างไรพอจิตไม่ดีตัวเราพูดว่ายังไงบ่นว่าอย่างไงงุ้มกาอย่งไงให้รู้ตัวเราเพื่อละตัวเราแล้วปล่อยวางตัวเรา เหตุที่ต้องให้รู้ตัวเราก็เพื่อละตัวเราปล่อยวางตัวเราถ้าเราไม่รู้ตัวเราเราก็ปล่อยวางตัวเราไม่ได้เพราะตัวเจ้าปัญหาก็คือตัวเรานี่แน่ที่มันไปวุ่นวายกับโลกนี้ทั้งโลกไปช่วยเขาคิดคิดแทนเขาน้ําตาไหลออกจากตาโดนเขาว่ากระทบกระแทกมาในห่วงบนนั้นห่วงบนนี้ยึดนั่นยึดนี่ก็เพราะปัญหามาอยู่ที่ตัวเรานี่แน่ไม่ใช่ตัวใครเลยตัวเรานี่แน่เพราะเราไม่รู้จักตัวเราไม่เห็นตัวเราเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปช่วยเขาคิดคิดแทนเขาไปรักไข้ผูกพันจงเกลียดจงชังจงรักจงชัง ทุกยากลําบากทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่เห็นตัวเราไม่รู้จักตัวเรานี่แนะจึงต้องมาฝึกให้เห็นตัวเราให้รู้จักตัวเราจึงปล่อยวางตัวเราลงไปเพราะตัวเรานี่แน่เป็นคือตัวเจ้าปัญหามาทุกภพทุกชาติก็เพราะตัวเรานี่แนะเราเห็นตัวเราแล้วเราจะได้ปล่อยวางตัวเราเราจะปล่อยวางตัวเราได้ยังไงเราก็ต้องมาพบผู้รู้ตัวเราอีกทีหนึ่งแล้วเราจึงจะปล่อยวางตัวเราได้นแน่เพราต้องมาพบผู้ที่รู้ตัวเราผู้ที่เห็นตัวเราซะก่อนมารู้จักตัวเราซะก่อน นั่นแหละเราถึงจะปล่อยวางตัวเราได้นี่แน่นคือขั้นตอนของการปฏิบัตนะินะคร่าวๆให้ทันทั้งหลายได้จดจำเอาไว้